พระวชิบุตท่านเป็นลูกชายวัชิรมีลูกชายคนเดียวไปบเำเพ็ญธรรมนัดทำอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนสูงที่เป็นชาววัชิรบุตรชาววชิรนั้นตั้งพวกญาติพระวงของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนสูงกัน ท่านนั่กำลังเดินจดกลมอยู่ในป่าช้าคนเดียวแล้วได้ยินเสียงเขางวกเขาจะไปเล่นอเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละความสนุกสนานแต่ทั้งนั้นเนี่ยเเล่นนักสัตว์อะไรคงจะอย่างนี้มีเราก็คงเรียกว่าหนึ่งที่เกล้าความหลังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพู้นการเข่นนักสัตว์ ความเสียงเอตโลโเท่านั้นไข้างป่าชามันกำลังบำเพ็ญกรรนฐ า, ามเดิ น, นกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความนิ่ตกขึ้นในใจเขาไปยังมีความชุบอีกนลื่นเลยนะ่นแต่เรามาอยู่ในป่าชาซึ่งเป็นป่าชาผีตายทั้งนั้นนะ เนคนที่ได้ค่าใด้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเรานีงมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรุ่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตําหนิเจ้อของพอหยุดจากการตําหนิเจ้ของลงก็ปราสฏว่าเทวดามีเจ้าดา มันย้ำยั้งที่อากาศบอกลงมาว่าท่านหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านขึ้นบันเพนธรมนธรรมในป่าชา้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เหงาเขาเ ป, ปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปโดยอัด้วยธรรม้วยความรู้วความฉลาดที่ไปยังตนให้พทษจากทุกนี่เขา ไปส่งเสริมมาตตความหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงกย่ยวกับเรื่องความเกิดความตายทั้งๆสาสักไม่มีเา็นเลือกันแล้วทีนี้คือเขาไปส่งสงสมกองทุกข์กันตัหาท่านเป็นผู้เห็นภคยในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพี่ยนเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเช่ น, น ท, ทั้งทั้งัย ในความเกิดแ่จิตตเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่ลวนี้เป็นมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสลงหาเพื่อความหยุดพ้นอย่างท่นนี้ท่านควรจะยินดีในการบาเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบาเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่านั้นได้สติทันทีเลยเทวดามาจะแว้บงบนญอกัด แล้วร้องบอกลงมาเลยได้แล้วลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยพราแสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองที่เหลือมากรซิบ าการทำกิริยา น, น, นั่นดีการทําสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะทีมาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีถิวดานั้นชุดลากขึ้นให้ได้สติสตังเข้วอเป็นเพียงไปรุ่นบรรลุธรรมเส้นขื่นมากๆ น, นี่ว่าวัตชีบุตรคือเป็นบุตรหนึ่งชาววัตชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพราะแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย ก, ก่อง มีเวลามันกล่องมักระป๋องได้อย่างนั้นใหมันกินเด็ดแต่อาศัยคติธรรมที่เธอดามันก็ปรมาณอวยพรให้อาชี้แกให้เห็นโทษเห็นตายเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองได้แลท่านก็เข้าใจและบอกถึงพุทธธรรมจนได้บรรลุพุทธธรรมอันสุดยอดในวิสกว่าท่านเป็นคิดปาริญาอยู่เช่นเดียวกัน ถ้าวิาจิตของท่านมีท่านมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจาร์ไปเชนนั้นเพราะความวิตกวิจารเช่นั้นหมายถึงจิตที่อย่างไม่มีภูมินี้ยังไม่มลลไไมพ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องคงหยุดตรงแต่เมื่อได้สติแล้วตั้งกับพิจารณางท่า น, าน คงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลแบบําดับลาดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทั้งจักรธรรมได้ตลอดทัวถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนใหน้ไปอยู่ในป่าชา้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรแล้มาเทียบเทียง จิตเมื่อได้ก็ไปอยู่สถานที่นั้นรอบมาเกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสดสชงเลือดในนะความเกิดแก่เก็บตายของเขาของเราแลจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งทั้งตัวพิจารณหาทางออกโดยชอบคันอ่านขึ้สอนให้อยู่ปาช้าคือจิตนี้อยู่สถานที่เที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งด้านล้อม ไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหาที่เล็ดตัญหาอาสวัตประเภทใดตากเปี่ยวๆนี้มีสิ่งบังคับให้เรมาม้อระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยและใครจะมีโอกาสคิดสังสมที่เล็ดขึ้นมานอกจากจากพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอบถอนตนเด่นไปโดยเระงหนับทท้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่น ฐานทั้งสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผุ้ความเพนธรรมนธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและฐานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียนอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียนก็ไม่คืบได้อย่างดเดียว เหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปิดเปี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดมีลายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเปิดปู๋มมา ก, มากและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสวรร้ายาต่างๆมีเสือเป็นต้นการบาเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่า ง, ช, งช้า แต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคื น, นแล้วนั้นมันเป็นความเพลินอยู่ตลอดเวลากลารมันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนเลยแล้วก็ยิ่งจิตติ้งตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยจากตัวล้วแม่เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภยัยคือพระยาวย่อให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันห น, นึ่งนี่ การสังสมที่เลรยขึ้นมาคือคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์จึงเริ่มมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ให้ไม่ปล่อยให้มันเรื่ออนไปตามความคิดความนึก น, นั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความม่นลายขึ้นแก่ใจิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้ แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปี่ยวอยู่ในที่เชนั้นต้องเป็นผู้ตัดพิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโ ด, โดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมลืนกันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละ ทำามาอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่น้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงกล้าเข้ามาสู่สถานที่่นี้เมื่อก้าเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องของหวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสลักไม่ได้ะ อยู่นูนก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในฐานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่ผ่อนลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตรงเองอะไรอยากมากินก็กินเลยพี่เขากินก็อิ่มเปนวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตาให้ตายอยู่ในสนามรบกคือสงครามระหว่างวิเลตกับถัให้ได้ชยชนะ อย่าได้คลั่งเผยอย่าเด้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรคคือตายในสงครามไม่ยันไหวเมื่อเราได้คร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกรูนอกทางอันทุกก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วปิดก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญช า, าอยู่โดยสมบ์สมองนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปด้วยปัญญา ระมัดระวังตัวอีกเช่นนั้นจิตริ่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ข้อควรตนเองเรื่องราวอะไราหายไงหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไรอะไหายไปหมดยังเนือแต่ความรู้ล้นล้นที่เด่นอยู่เรื่องความเคร่งเครีของจิต ในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อผลต่างๆโดยสิ้นเชิงหรือแต่ความรู้กับความเย็นสบาย น, นี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกรูปนอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่วิจิรอ่านใจตรองหากห้ามปิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติ คิดออกประเภทใดสติรับรู้รับรู้รรปัญญา ค, คอยตัดคอยฟังคอยหกักคอยห้ามด้วยเหตุด้ยผลจิตจะเหนื่อยเหตุผลแต่ไม่ได้ย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายๆเหนื่อจิตด้วยก้าเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภยัยที่นี่มีเสือที่นี่มีท้าง ที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงเราเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทําอันตราย ก, ก็ก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการขมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะเป็นห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทําไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมลาแต่ตายในทางจงกรมนี่ก็ก็ตายพอถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะ ต, ตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตาย จะ แ, แสดงว่าถึงการแล้ในที่ไหนจะประคัดค้านให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านอีกมันก็คัดค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายเป็นอะไงรอุบาทวิธีพิการาเพื่อหห้ามปิดใจของตนให้มันออกนอกรูนอกทางันเป็นเหตุที่จะสั่งสมเกิขึ้นมา เราไปเดินจนเตงมหน่องสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะสะถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเบือดร้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจกักษ์ใจ ท่านจึงไม่สะทกสะทานในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอบจากกาศแคนท่านในถือเป็นสิ่งสำํสำคัญยิ่งกว่าการมันเป็นพนาธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจะมีความเจริญขึ้นเรื่อยคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบยายแยกคายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสุขอาหารกิเลสได้แกสติปัญญานี่แหละ ก็ทำงานกันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ก่อนเราไม่เคยพรวนาที่ภาวนาอยู่ในฐานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่ก้าเข้าไปสู่นทีเช่นนั้นความรู้ความเห็นแต่ประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของบรรญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกนวัญาของกิเรศก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องมาเป็นลําดับลําดับยิเรศก็หมอบจนเป็นลําดับยิเรศหมอบเท่านั้นใจก็ยิ่ง ถ้ากิเลสออกพุกพลานแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพลานหาเหตุหาขนนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางให้ดีหาผลอันเป็นความทุรนทรมาร์ใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสทุกพลานมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสไปครอบครวเอาความทุกข์มาขอหล่นตัเองทั้งที่มันทั้งทั้งมันมีกองไฟยืยนภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟมันกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดท่านจึงต้องระมัดระวงังให้มัน ชิดในเวลาเช่นนาเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยการเป็ความเคยชินขึ้นมาสติสตางคก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปไเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้ น, นก็เย็นนะเห็นปะจ๊ะใจที่เย็นด้วยขานึงน่งตนที่มีพื้นเพยันดีเพราะอนานาจแห่งสมาธิ ที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายของจงกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอแยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขากับแยกอำให้เห็นรวมธาตุรอมขันแม้แต่ จ, จัดแต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นจะไปกลัวไปเปลียนกันเรื่องอะไรหายเหตุหาผลไม่ได้ไห น, นคือบายของปัญญา ที่พระพุทธญาทรงสั่งสอนไว้สําหรับพระสงฆ์ได้บําเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตัดถอนเกลียดโดยชอบธรรมนั้นทันจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัป็นลุกโมลูลฤเษนาสนังลิซ่าจะประับปัญหาแต่ให้เปียยะวัชิวังอุซ่าห้วยภายใอยู่นะไล่ไปภาในป่าในเขาโบรานลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญสำนัธรรมอันทิญ จะที่จะให้ข้ากิเลสภายในจิตใจที่ผาหลายปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออ่ออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนสอนเพื่อข่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไมด้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานํามาสังสมกิเลสทําแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสลกลับมาเป็นเครื่อ ง, องสังเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลส มีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นที่เดชได้มันก็เป็นไปหน้านี่แต่ทำมนจรินขั้นสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมยังมีทางที่จะแก้กที่เดชไปโดยหนักนับตั้งแต่ครัง้งพั้งต่การมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยที่เดชยอมไม่กลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำที่เดชไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกคาถานนี่ยทำคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรม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 สู้วิยทยธรรมคันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไ น, น่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบ อ, อยู่เนี่เพือผู้ก่อการร้ายนั่นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใด ห, หัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดา น, นักป่า วิธทีท่กลาหาันไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รูเรือร่องเวลาไมนรู้จักเป็นจากตายก็คือพวกเราพรานจึงต้องเดนแบกเดิหานเดินทุกตลอดมาไปอยู่ที่ไห น, นก็บ่นยังไงทุกบนยังไงทุกจะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนอดทนคนผู้สอบเสรรยียหาทั้งวันทั้งคืนดืนดน่นอนนิ่งแต่า ก, การสังสมธิเดชขึ้นมาทั้งนั้นสมธิเลชเกิดขึ้นมาแล้วมันทํางานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นนันก็ไม่รูัวทําไม่ทำลายมัน เาจะวัดิเลศเป็นเพียของก็ด้านวัดถุแล้วพระอรหันท่านท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะหาจเอื้อนถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรที่เหลือ ก, ก็ตายไปเลยตามทางจงกรมสถานที่นัง่งที่นอนนี่จะ ป่ <Labour> าช้าองค์กิเลสที่ bedeutet, ท, Almighty, ท to, ่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันไปโดยลำหน sheriff, ักเพราะสติสตังคือความมันเป็นความภาคผิวนี้ท่านทํางานมีตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทําเดินอยู่ท่านก็ทํานั่งอยู่ท่านก็ทําขอไปเดินจงครมอยู่ท่านกอฆ่าทิเล็นั่งอยู่ก็ฆ่าที่เล็นอนอยู่ก็ฆ่าทิเล็กเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบชันอยู่ท่านก็ฆ่าที่เล็กเพื่อสติปัญญาซึ่งทํางานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่าทะิเลสอาสวะไม่เด็ก น, นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่มันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมดยอกหยอ ก, อ ก, อ ก, อกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเพียรแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนเถดีกว่านันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เรเคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าให้เป็นท่าคือพวกเราเนี่นั่งพอนานบ้างนึ่ ให้กี่นาทีโอ้เหนืนะ่อยแล้วนอนพอดีกว่ามันดีกว่าอะไรผมรู้มีพวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเรานะมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของพิเรเรื่องของทรามันไม่ดีแล้วก็ไปคํานึ่งไปคิดถึงเรื่องคำพูดการท่า น, นบรรลุเร็วเพราะนั้นความรู้ที่หนึ่ทีนี่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เราไปฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้อะแทบล้มแทบตายที่อ่านแปลกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายกับตายลงหมอนเท่านั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบนแทบล้มกทบตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังประพุทธเจ้าลิษาบทคคลหลายท่านเนินมาทางทําแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบธรรมจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนได้เหรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการ ธรรมะที่นำมาปราบทหารพิเรกก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกําลังเพียงพอพิเรกก็ต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องล้มจมที่ฝายผลปีไปเช่นเดียวกว่าข้างพุทธการแต่นี้เราเพียรเพียรไปเหาะอหาะไปแยแยงนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดวเราอาอนี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่ไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยก็ทักฝันหน่อยเอสบาย มั น, นก็ดีกว่ามั้งไอ้บ้งทำเล็กๆน้อยๆโว้ยโศมจิตสศมใจไปนู้นจะตามเรื่องกิเลสตัญหาอาวะที่ไหนในรู้ะขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คํานึงคำนวพอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่ตั้งภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นในเรื่องอะไรเลยนี่ห่วทั้พุทธการท่าภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายทำไมไ่เห็นได้ก็แทบตายจะคิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นไง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 นี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นเลยนะอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากข้ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายง่ายมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียว พุ่มเกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู่แลนน้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้หรู้ไม่ตายให้ชนะอืมันต้องฟาดปันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอนสิ่ง ท, งทรรี่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาิ่งที่อัศจรย์ไม่เคยเรู้เคเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพระคำเพียนอัศจ ร, ร เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบทำกิเลสดุลลอยไปความสังสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจนการเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งๆคือในเรื่องอัศจรรย์ไม่เคยอศัยอศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องมีงามเป็นธรรมชาติที่กุดคน้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏ เมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนทำก็คือทำอันเดียวกันจากพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวกันปรับไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันทิเลตที่เป็นตัวต้านทานทำทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเหมือนนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทําไมทิเลต จ, จะไม่ยอมทาไมทิเลต จ, จะไม่ตายจะไม่สลายไม่ทํา ให้ถูกทำลายต้องถูกทำลายแล้วที่หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่ละเอียกว่าสัขา้ะธรรมที่ตราไปชอบแล้วและไม่เช่นนั้นก็ไม่เททอเียกว่านิยานิคตธรรมคือนำผู้นนปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์กระโดยหนักจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์เลยสิ่งเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยทำสงสั ย, สสยมากหม่ผ่านมันเป็นเรื่องของกิเลส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 เต Oke, ิร์นเติบโตขึ้นมาเรื BE, them. Them good, no. ่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทําไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างทําส่งเสริมอัดส่งเสริมทําทําไมกัไม่เกิดทําไมกันไมีก็อยู่ในเราคนเดียวเทนี้เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีควมนี่อยู่กับเราอยากให้กิเลสไม่หลบกลวงเราได้อพรนั้นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องหลอกหลอกของทําไปในปัจจุบันปัจจุบัน เขาครับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็าตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวหน้าก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้เปื่อยก็ต้องหาอยู่พยายามรักษ า, านี่ยแลรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาอการประพฤติปฏิบัติตทันเราจะหาเวลานั้เวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทําให้เราทั้งนั้นเนี่ย สมกับความรับผิดชาบตนเพราะจิตมีความหวังความตุ่อย่ตลอดเวลาไม่เคยติ่จางเลยความหวังนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจู่จางแม้จะทุกขจนหุนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความตุ่ความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันเท่งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทําไมจะใครทําไมจะไม่อยากได้มีเราเป็นผู้ควรควรอยู่แล้วที่จะสร้างความตุ่ความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอ่านด้วยทำเราควรจะทําไปโดยลําดับเรื่อนี้ สมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดการดูเดินเดินนั่ง น, นอนยาวบททั้งสิบรมีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลําดับลาดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเลยจนกทาั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายนลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกหงายท่านเป็นผู้สมหวั ง, เ ป, งเป็นที่พึงพอใจ รับผิดชอบไปจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ใจแหละคือภาชนะสําหรับทำทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายกองใจจึงนการเป็นของโสโครกเป็นภาชนะที่สโปรกด้วยสิ่งที่สโครกทั้งหลายคือกิเลส นี่พยายามชะล้างสิ่งที่เจ้ากภายในภาชนะคือจิตท่านออกเดินหลักนำธรรมะเราที่บัติธรรมะสงศธรรมะให้เกิดท่ามีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราเปมีแต่ความเกษมชสํารานทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามทําเมื่อมีธทำคือความดีงาม เป็นเครื่องมันตย่อยู่ภายในจิตใจนะครับผู้นั้นไปใส่ก็ไม่จนกรอบจน ง, งูนี้ความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละห ม, มาว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี้แหละจะเป็นผู้ไปเหนื่อใจมีธรรม้วใจนี้แหละจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศ จ, จากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมนักสมหมาย อาะการแสดงก็หือว่าพอสมควรอันนี้ยุติการทัน